เรื่องเวทสันดรปริทัศน์ตอนที่สี่โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยและผลกรรมที่ตนเองได้กระทำนั้นแต่เวียนว่ายตายเกิดแล้วในเป็นอนเนกชาติจากสุกติโลกของสวงปวันและก็บางเกิดเป็น มนุษย์ในตระกูลอันสูงส่งด้วยอำนาจแห่งคุณธรรมที่เดชะธรรมสะสมเอาไว้ตระกูลที่สูงศักดิ์ก็เป็นประมาณที่เด้ะระทมมาในครั้งสำคัญพระนางทรงอุบัติเป็นเทพอัปรสรชื่อพุทธตีมีฐานะเป็นมเหสีแห่งองค์อมรินจอมสวรรค์ชั้นดาวเด่งแต่แล้วก็ถึงวาระสิ้นวาสนาเอกชีวิตบนสวรรค์คยังต้องวันไหววิมานก็มีเวลาทลาย เทพเจ้าผู้สเสวยสุขนสวนสวนรรค์ก็ยังต้องจุดิเพราะเป็นผลมาจากเหตุที่หาความทเที่ยงแท้อันใดไม่ได้โลกวนอนิจจงด้วยความเวทนาอะไรอินเทพทรงพาผู้สิ่ผู้ถึงซึ่งวาละสุดท้ายสเสด็จประทับยังนันทวันสวนสวนรรค์อันรื่นรมและได้โปรดให้พระนางคูนขอสิ่งที่พึงประสงค์ก่อนจุดิจากไปได้สิบอย่างซึ่ง พระนางทูลข อ, อดังต่อบไปนี้ความจริงเรื่องนี้เราทั้งหลายก็เคยได้ฟังกันมาเป็นประจำในการทัศน์ขอพรพระอินบอกว่าพระน้องนางบัดนี้เป็นเวลาสุดท้ายที่เราจะได้พบกันอยู่บน ส, สวงสวรรค์แห่งนี้เพราะเหตุแห่งความไม่เที่ยงแท้ของเสิ่งทั้งหลายขอนางจงขอพรอันปรารถนาของนางเถิดเราจะประทานพรนั้นให้ ข้าแต่เท้าสักัะผู้เป็นอิสวนแห่งสัก์ทั้งปวงหาพระองค์จะส่งเมตตาประทานพรแก่หม่อมฉันขอพรทั้งสิ้นจงสำเร็จสมบูรณ์ภายในราชนิเวทแห่งราชาสีพีนี้เป็นเกตนาปารกแล้วจะขอประทานพรเป็นอันดับต่อไปหมายความว่าผนางนั้น ปาาริย์ที่สุดก็คือการได้เกิดมาบนผื้นแผ่นดินสีพีเชิดตุดร อ, อันเป็นนครที่รุ่งเรืองแห่งโพรคาในช่วงนี้เรากําลังก้าวเข้าสู่อืตอนกลางของกันทัศพรท่าสนสาธุชนทั้งหลายก็พอจะทราบแล้วนะว่าเริ่มต้นก็คือตอนที่นางผุทสตีนี้ยังอยู่บนสวงสวรรค์ยังเป็นนางเทพอปปศรเป็นภู ง, ง่ายๆว่าเป็นเมียของพระอินท์บัดนี้นางนั้นจะหมดบุญจากสวรรค์แล้ว ด้วยเหตุแห่งบุพพานิมิตห้าประการคือผิวพรรณของนางได้เศร้าหมองดอกไม้ทิพย์ได้เหี่ยวแห้งและก็ที่อยู่อาศัยของนางนั้นก็ไม่เกิดความรมมณียสถานเกิดความเป็นอยู่อย่างร้อนรนกระวนกรวายเสื้อผ้าผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่พองใสนอกจากนั้นเขือออกจะแกล้งสึ่งภาษาบาลีว่ากะเชหิกัช้าหิเชโท เขือออกแล้วที่จกักะแลนั้นพระเอิงก็รู้ได้ทันทีว่าบัตรนี้นางจะหมดบนจากสองสวรรค์ด้วยความรักความอาไยอาวรต่อนางผู้เป็นสุดที่รักก็เลยบอกว่าบัตรนี้เราจะต้องพัดผาจากกันแล้วพระนางตกใจมากแล้วก็ถามว่าสเสด็จพี่หม่อมชันทําความผิดอันใดพระองค์ไม่รักหม่อมชันแล้วหละหรือทำไมจึงพูดอย่างนี้เหมือนกับจะล้มหายตายจากกันพระเอิงก็บอกว่านั้นเป็นความจริง พี่จะไม่รักเธอก็หาไม่ได้พี่รักเธอสุดชีวิตสุดหัวใจแต่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนอันจังบัดนี้เธอจะต้องจิตติไปตามเส้นทางแห่งเวรแห่งกรรมเราทำบุญมาได้พบกันเพียงแค่นี้ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครที่ไหนเพราะเหตุนั้นด้วยความรักเวทนาอะไรอาวร์ต่อเธอขอเธอจงได้ขอพรฉันจะประทาพนพรให้ สิบประการเข้าดีเธอปาธนาที่สุดยอดรักเชิญเธอถ้าเธอปาธนาเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นางรู้ดังนั้นก็ทำจิตใจให้สงบประนับแล้วก็บอกกับพระเอ็นว่าถ้าหาพระองค์จะทรงเมตตาประทานพงแก่หม่อมชั้นขอพรทั้งสิ้นนั้นจงสำเร็จสมบูรณ์ภายในราชนิเวศแห่งราชาสีพนี่เป็นเจตนาปารล คือพอรทั้งหมดนั้นฉันไม่ปาฏานาตรงไหนถ้าหากจะเป็นได้ขอให้พรที่หวังนี้ได้เป็ตสาเร็จที่นะครศรีพีเทพดอนที่ชมพูทวีปเมืองมนุษย์นน้นพระเองก็บอกว่าขอให้พันธ์พนาง น, นั้นจงขอมาเถิดฉันจะอนุญาตจะมอบให้เมื่อได้รับคำมั่นสัญญาอย่างนี้นางก็เลยขอพอรบอกว่าถ้าจะจอมเทพ ข้อที่หนึ่งนั้นห ม, อมนอ่อมฉันขอพรขอให้หม่อมฉันนั้นเพึงเป็นผู้มีดวงตางดงามดุจในตาแห่งหมู่เนื้อภาษาบาลีเขาว่ามิกขีในยามมิกขีในตาของหมู่เนื้อเธอเกิดมาปีเดียวแล้วมีแววดำสนิทนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองขอให้หม่อมฉันเพิ่งมี ขนคิ้วโค้งงอนประหนึ่งจันอ่อนปรากฏบนฟาก ฟ, ฟ้าเบื้องประจิมข้อที่สามขอให้หมอมฉันนี้พึ่งมีนามว่าพุทธสเดีเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความหลังครั้งอดีตไม่เลืมเดินคืออยู่บนสวรรค์นั้นก็อชื่อมีชื่อว่าพุทธสเดีเมื่อไปเกิดในเมืองบรรทุนแล้วก็ขอให้ได้มีชื่อเก่าอันนี้เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งความอาลัยอาวรณ์แห่งความทรงจำว่างั้นเดินนะอนุสรณ์แห่งความหลัง ยนข้อที่สามเลนะส่วนข้อที่สี่นั้นคอย ห, หม่อมฉันพึงมีบุรอเลอร์ด้วยคนคนยากไรตกทุกได้ยากเด็ดพึ่งพาอาศัยมีเกียรติยศรุ่งเรืองแม้ชาวต่างแขวนก็บูชาข้อที่ห้ายามทรงคันยได่ปากนลนูนโยมีสันฐานโอนน้อยๆดุดคันซ้อนที่ช่างเขาเหลาเป็นอันดีแล้วข้อที่หกขออยู่คนทั้งคู่อันสันธารสมส่วน มดงามดังดอกประทมที่ตูมอยู่ชั่วนิดเยรันดอนเม็นแต่เถาแล้วก็บอกไห้เดียวตกข้อนจักเถาบอกง่ายๆอย่าเสียจไปข้อที่เจ็ดผมงอกแม้แต่เส้นเดียวย่าได้ปรากฏบนเสียงข้อหมอบชั้นแม้จะร่วงเข้าเขตฉลา ก, การข้อที่แปดขอให้ชวีวันทิ้วพันตลอดเรือนร่างข้อหมอบชั้นอย่าได้มีตำหนิรอยแต้มแม้แต่เพียงน้อยนิดฉีดเป็นวันอย่าได้มีมีแต่ความงดงาม ข้อที่ก่าหม่อมฉันเึิงมีอำนาจในการทุเลาโทษของชนผู้ประมาทแล้วให้พ้นจากประหารจะถึงคิวค้าก็ขอให้หม่อมฉันมีอำนาจปลดปล่อย ไ, ได้ข้อที่สิบพึงได้เป็นมหาสีแห่งพระราชาแขวนสีผีนักเทศตดนคนครอันรุง่งเรืองพระเดชพรคะและเกียรติยศความจริงนี้ พรอนที่ฟังม า, ส, าะะสิบปะตานนี้ี่เรว่าทสพรข้อที่สิบท่าเขียนแบบภาคอีสานบ้านเราข้อสุดท้ายภาอีสานบ้านเราเอาข้อสุดท้ายไปไว้เป็นข้อที่หนึ่งรู้มันจะถูกต้องดีกว่ารู้สึกจะสับสนเพราะว่าขอให้ได้เป็นราชินีข้าไปเหตสีแห่งพระชาศรีผีเชตุดร อ, อันภัยบุญ ด้วยโพคะเะเกตยศเอาเถิดเมื่อมีผัวแล้วก็จะต้องมีลูกอะไรทนองเนี่ยยังไรก็ตามจากจาก่อนจะหลังเกาะเป็นพร อ, อันเดียวกันสิประการข้อหนึ่ ง, งข้อจำเจ้าบังเกิดปางตาในซีพี่ระ บ, บุรีเมืองกวางข้ อ, อ, ขอหายปากฏกล่องลื่ซ่าคามเดทห้อยเอ็ดประเทศดาวมาส่วนพงบุญเนี่ยข้อถึงหนึ่งทาอีาสานเราว่าอย่างนี่นะเขาว่าอย่างนี่ ขอซ้องนั่นขอให้นินเดกเหนือทั้งครูใส่แสงอันวตาแดงเหลืองอยาได้มีปัดต่องก้อยคือตาเหนือมีขี้นในปาแมนว่าไฟบอร์ดหมวกฟางฝะายยาสมีขอซ้ํามนี่ขอให้เขียวปูขานี่โกงดังคันซ้อนขอให้คือดังส่อยมายุรุ่งเสือหมูนกนุ่งให้มีคิ้วในงามก็เหมือนคันซ้อนและเห ม, ม, มคคือนะมีขนคิ้วงามเหมือนเหมือนขนของนกยูง คอที่ซีนั่นพุทธศรีนี่เป็นน้ําข่าบาทขั้นว่าม่อละมิ่งเมียน้นํำนี่ให้ดันเดิมแด่ทอนว่าสันคือต้องการชื่อเดิมบนสวรรค์อย่างไดรก็ตามตายแล้วไปเกิดคงกายมีซื้อคือเก่าเดอ้อคอที่หานั่นก็ให้โปรขาในได้ลูกแก้วภูประเสริฐบุญนมีวสันให้ได้ลูกแก้วภูประเสริฐบุญนมีมีซื้อเสียงกลัวคนทั้งขายก็ให้มีใจก่วงสัท่าก่ า, าแกยนินดีท่านตอดให้คนให้ขหมอดคอ เนาเมื่อขาหน่อยมีหลกถือผ้าขาอจะได้คับผ้ายอนย่านนุ่นป่งกให้คือขั้นซ้อนสวยสวยงามปานสางอันติเแล้วกอมเกี่ยกลมสวยส่วนเสมอกาขาท้อนะศัในการทัตรพรบ่าอย่างนี้คอที่เจ๊เท้าตั้งยุคขนทันทั้งครัขอให้เต็มตึงตัง้งตูมเต่ายาโสค้อนผู้ใดก็อยากหนเคือกันนอกประวัติแต่นางพฤษดีดําแหม คอที่แปดนั่นแง่เมื่อขาน่อยนี่ได้หลูกอ่อนกินนมยาให้หัวนมดำย้อนย่านคือย้อนย่านจนหอยขอให้คือประทุมตังบัวทองเทียมคูแง่เมื่อหลูกเนืงเนองเล่นน้มหนองยาสูญย <c oughs> ่านฟูเฮ้ยฟูได้ก็อยากได้คือกันติแล้วนอกวัใหญ่ใหญ่เนาะเขาออกไม่ออกใครก็อยากได้แต่มันถูกกีเลสค้นไม่ใช่อะไรคอที่แปดเกสาเสร็จดำดีปีบปอบยาได้มีงอกเหยียวดำเหลี่อมตลอดตายผู้หลา ข้อมือในนางพุทธดีสมัยใหม่ไปซื้อน้ำยาย้อมผมมาดามาย้อมเท่าแล้วก็เหลี่ยมหยิบหยิบห ย, ยิบอาทิตย์หนึ่งผัดทั้งปลายดำทั้งกกผัดการถ้าได้บาดเนี่ยดำครึ่งนึงกาลครึ่งนึงพุทธดีสมัยใหม่นมกับบอยยากไข่เหี่ยวตอกข้อแล้วออกหลกมากกับบอยยากไข่หลอกอยากไข่หลอกินนมหย่านลูกหนองหย่านมาได้เป็นพุทธดี เขามาแล้วยังพอไปตัดหน้าดึงหลังคนติดมีเงินกันนั่งเคื่อบินไปนูน่นทําสัญญากำพลาสติกผ่านวานหันี่ใส่หนุ่มหมักบวบเข่าใส่ชีตโมฟีนก็ไปเห็ดจังได้ล่ะฝังเข้าไปทางในคนตัดเนื้อมาคห่มเห็ดนมตั้งโจโกสาวพันปีนนเพื่นฝันวาได้พุทธดีจะไม่หม่เฮ้ยทำไมาจัดสังขารนอกปัญญายังไม่ใหญ่หนู่ยจะไปบ่าไปเฮิรนน้ำมันก็นแล้วกันแต่ว่านางพุทธดีนี่ขอเหลือเกินขอเต้านั่น ขอคอที่เก่าห้อยซุกคุมเนี่ยเกี่ยงอ่อนผิวนุ่นคืนนอดังท่องท่าทั่วโ ต, โตเต็มเหนือก้อยซีใสเหลื่อมนุ่นในผิวพองไผยเห็นเราอยากต่องใจสะบันเท้าท่วงคอที่สิบคนขี่หายหลักหลบเอาของเขาสิตัพหัวฟังขาเจียจืนเหนือคือจังจองจาําให้รั้งข้าขอคือก็ดีท้อนก้อยขาปล่อยเปลี่ยงชีว่าไวยาสุเสริญ พูดง่ายๆข้อนี้เป็นข้อที่เก้าแต่คนทางอีสานเราเอาเป็นข้อที่สบข้อที่หนึ่งให้เด็เป็นมห ah สีีนศีพีเชิตูดอนทั้งหมดก็คือกันนั่นแหละ น, น, น, นค อ, น ค, อนคือกันคือกันทั้งหมดนี่เหยกซื่อทศพรอินทาา อินทาพระทอดท่านเมียแก่วขันวันนางข่านได้ทอดท่ำเทวราชแล้วจึงหมอดำมิงเมี่ยนนั้นไล่ฝ่าดวนลงแทนแล้วยุติกาบันทัศพรกันก่อนหากรแลวพอหนีงอไหวทีควรก็ เ, ร <c oughs> เลวจบแล้วนะทัศพรมีเพียงแค่นี้ทัศพรมีเพียงแค่นี้ก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจจบกันทัศพรสิบเก้าพระคาถาที่นิทหกจะปริทัศน์ ถ้าสพรกันจะหน่อยก็พอจะได้อยู่หลอกเก้าคนสู่กันนี้กันกันกันหิบะผ่านหนึ่งร้อยสามสิบสี่พักคาถาพอก้อานสุ่กันฮีบะผ่านนี่ก็พูดถึงเรื่องนางพุทดีอีกอย่างเต่อคือความสวยสดงดงามของนางพรั้งสิประการก็ได้ปากกดต่อหน้า เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติสิบประการดังที่ขอแล้วพิษเนตดุดเนตพิฆมาตรพิฆนงวงวาดดังคันศิลพิษเกบอลีดังสีดินพิษผิวเพียงปฐินด้วยผงจันพิษอกอกโอ้ดังโกสมเตงตุ้มเต้าตั้งทางสองฐานพิษพักพองเด่นดังเพนจันพิษทันทนเรียบเปรียบมุกดาพิษปลางปลางอิ่มลักกิมแต้พิษโออโอดแ ย, ย้ดังอุสา พิษองค์สงงามจำเริญตายิ่งพิษก็ยิ่งพาจิตภวงงามจริตงามจัญญาน่ารักรวนเชิญชวนพิศวสพิศวงอำนาจพรเทวราชประสาทส่งให้อนงงามเลิศเมื่อเกิดมา สูงทั้งศักดมากทั้งทรัพย์คนนับถือเกียรระบือชื่อระบินชั่วเด่นฟ้าเป็นขวัญเน่เ ก, กตกระสัมัทราชนิดาน า, นามสมมุติผทสดีผลหนาความงามพารณาออกมาาหาชาติกันคำหลวงก็ดีแต่งขึ้นมาเนี่ยวิฟังไพยเลาะงามประมวลนางงามจักรวาลอย่ามาพูดถึงพรทิพนากฮิรันกันนกปุ๋ยเป๋เข้ามาใกล้เทียบใบไม่ได้ฟุ้นเลยความสวยของนางเป็นอย่างนี้ จะวาดไปแล้วพรสิบการนี่ก็ล้วนแต่ผู้หญิงทั้งหลายปาธนาการทั้งนั้นไม่ใช่อื่นไกลหลอกนะโยมนะทุกคนก็อยากจะให้คิ้วโกงดังคันซอ้อนเหมือนพระจันทร์เสี้ยวในทิศประจิมด้วยกันทั้งนั้นจะวาดไปแล้ว แม่นก็ไม่มีอะไรทุกวันนี่นางพุทธดีสมัยใหม่นั่งรถไปบุญเดียผัดกล้องแกงจกออกมาแล้วในกระเป๋าหน่อยเอาแหวนมาแยงบุญเดียผัดยิ้มบุญเดียผัดเอาสอมาเขียนคิวยกล่องงามปันยนี่ดวงตานี่ยขอให้ดำงามเหมือนไม่ขี่เกิดมาปีเดียวมีแววตาดำสนิทเดี๋ยวนี่หย่อนเลยหวานเยิ้มสีดำเขียนขอบตาปานถือกำปัน่นผัวตีมาได้๋ใส่กระปักนี่ก็นา่งพุทธดีสมัยใหม่นี่ เมื่อก้อยขาพระเจ้านี่ได้ลูกหน่อยผู้ประเสริฐบนมีข้าเป็นคุนเหมือนกษัตริย์ทุท้อนก้อยผู้ขาได้ลูกเต่าผู้ประเสริฐบนมีแต่บ่มีไผป่าธนนะให้ลูกในเฮียนทํำตีเอกท่อมหาเก้า เขาให้ผู้ขาได้ลูกเต่าผูประเสริฐบนมีจบปริญญาตีเอกโทด็อกเตอร์ปนประว่าคนนี้คนบบได้ขึ้นไปคือคนโบราณสารถุทอนเจ้าใหญ่มาให้ได้ลูกแก้วผู้ประเสริฐบนมีไงมาให้เผาปรีบวัให้ได้ยิงงวดในสินในธรรมได้จํานําคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์เป็ลูกคขำลูกคุณเป็นลูกแก้วผูประเสริฐบนมีเฮียนทำตีเอกโทมหาเก้าบวาจักเถิดสมัยนี้หัวดีๆให้เรียนแพทย์ไปสั่ กำลังวังชาดีหัวดีให้เป็นนักปิป้นผสนผมมีไยจ้ากเ่อวว่าโอ้ยหลูพกพู้ขาหัวดีๆนี่เอาไปปวด เป็นเนตรเรียนทำตีทำโทรจนหอดมหาเกลา์เจริญสมาธิภาวนาสมาธาวิปัสนาจิตใจทะลุทะลวงมองเห็นอนิจจ์ทุกขังอนิจจาทำอริยสัจทั้งสีให้แจ่งเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์ตลกทั้งหลายให้พ่อแม่ได้พึ่งพาบุญไม่พอมีผู้ใดคิดดมกล่าวแล้วเป็นบ้ากระจอ ง, งองเงแล้วเอาบวได้ทรงไปเรียนโรงเรียนฝารังเซนยุ้บเซนจุยจอนเซนลุยเซนคาบเบียนเนี๋ย ส่งให้เป็นเสียเงินปีล้เป็นสองหมื่นสามหมืนจ้างเรียนบัตรมันบอดีไปติดยาเสพติดโ ค, โคเคนเฮโรอีนโดมเทนเนอร์ดมกาวแต่ยินพ่อทันเทศอยากจะฝากลูกไปเยิดด้วยลูกผมไม่ดีแล้วผ่านว่ะพอประเทศีนะอยากจะฝากแต่ลูกตอนลูกดีๆไม่อยากฝากอาจจะมาเคยถามว่าคนดีๆไม่มีลูกจะไปฝากวัดนั่นมันเป็นสักอย่างนั่นพวกเราแต่นางพู้เดีไม่หวังอย่างนั้นขอให้ลูกนี้เป็นคนดี มีบุตรอลเลอร์ด้วยคนคนยากได้พึ่งพาอาศัยมีเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองแม่ชาวต่างแว่นแขวนเกาะบูชานี่เป็นอย่างนี้แต่พวกเรานั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นเราไม่คิดเหมือนนางพุทธดีที่นางพุทธดีบว่าขอให้ผู้ขานได้ลูกเกิดเป็นใต้วัชัน มีสื่อเสียงกว่าคนทั้งขายก็มีใจกว่วงสรัท่ากาแก่ยินดีท่านตอดให้คนให้ขะมอดขอเดี๋ยวเป็นที่พึ่งพาอาศัยคนทุกคนยากเราไม่ได้คิดอย่างนั้นบ้านเมืองมันจึงเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะมัมีความปาเถืนนั้นที่เรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะ ไอ้อันอื่นั้นอยากได้ป่านยัางงามสรงคันนั้นปรากฏอยาให้มันนูนโยมีสันธานโอนห น, หน้อยๆดูดคันซ้อนช่างเราเป็นอันดีเลยนี่พอจะมีท้องหน่อยเสือตินงใหญ่ห่วยพังไงยัยพังไพรยังให้เขาเห็นว่าของบ่บมีอย่างคือกับคนธรรมดาปอย่างนั้นต่อมาก็ผมมอกสักเส้นเดียวจะได้ปรากฏบนเสียงหมอมชั้นขอที่เจ็ดเนี่ยไว้ข้อมือแห้งคักแล้วพูดสดีสมัยๆลุย เจส่าดําดีผีปอดเขาจะมีงอกเหยี่ยวดําเหลื่อมตลอดตายแท้เด้อบ้านสันก็เลยต้องไปซื้อยามาย้อมสอสามมือย้อมสี่ห้ามือย้อมไปเถียงไปป้นเอาธรรมชาติไม่ยอมแพ้มันไปป้นธรรมาชาติมันก็ไม่ยอมมันออกมามันก็ขาวขลลึ้นเลยคือเกาปลายสีดําปนได้ก็ตามมันเป็นอย่างนั้น ขอที่แปดสวีวันตลอดเดินกายอย่าได้มีตำหนิลอยแต้มแม้แต่เพียงเล็กน้อยเดี๋ยวนี้เพื่นผไปหาซักไล่ใส่รักลักยิ้มริมฝีปากเพื่นผัดวาได้กันแต่กระแต้มจุดโอ้โวยเจ้าแม่นขักนอกใจนางผูษเีดีเดี๋ยวนี้ยิ่งคักกว่าสมัยก่อนซ้ำนางเอาเป็นว่าผ่านไปยังไงก็ตามเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งนั้นแหลยที่เป็นเรื่องของคนปาร์นาอันพอใจตามที่กล่าวมาแล้วต่อมานี่ ก็เข้าสูกกันฮิมาพานฮิมาพานหนึ่งร้อยสามสิบสี่คาถาดังกล่าวมาแล้วขึ้นต้นเรื่องฮิมาพานนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของนางพุทธดีอีกว่ามีความสวยสดงด ง, งามดังพรที่เธอได้ขอมาสวมแล้วที่สวรรค์ส่งนางมาเกิดแม้เวทนาในพบใหม่จะลบละลายความทรงจำจากสวรรค์สิ้นก็ไม่น่าจะถือว่าสูญเสียในเมื่อมาได้รับการบารุงถนอมจากพระชนกช น, นีและพระประยุรญาต ไม่ต่างอะไรกับเทพธทิดาเช่นกันเมื่อพรรษาได้สิพอปีสรีระอวบจำเริญตาอานุภาพแห่งสิริโฉมทำให้นครมัทหลาดถูกรุมล้อมด้วยกษัตริย์จากนครน้อยใหญ่เหมือนลุ่มลาดชักเอาสายน้ำจากที่ต่างๆไล่มารั้งเ อ, อเ่อเสนอหน้ารวมกันอยู่เช่นนั้น แต่กษัตริย์พูดโชคดีและประสบชัยชนะได้แก่เจ้าชายสนชัยแห่งฝีพีเชตุดรซึ่งสมแล้วกับพรที่นางขอไว้บนสรวงสวรรค์เมื่อราชพิธีเสกสมรสผ่านไปแล้วกอสเสด็จสู่กรุงเชตุดรดํารงยศเป็นยอดนางแห่งนคร น, นั้นความเป็นมาแห่งพระชนชีพที่ล่วงแล้วก็ด้วยอํานาจแห่งฤทธิ์ของสวงสวรรค์เพราะเท้าสัตว์ไม่เคยทอดทิ้งวิถีชีวิตทรงติดตามกําหนดโชคชะตานางอยู่ทุกระยะเพื่อจะให้ครบพรทั้งสิบประการ มัดนี้ได้เสด็จมาประทับอยู่ในนครศรีพีเชตุดอนพรที่นางขอประการอื่นก็ครบถ้วนยังอยู่ประการเดียวคือพระโอรสพระโพธิสัตติสิงสถิตอยู่นะดุสิทธิพพได้รับอัญเชิญจากท้าวสกกเวราให้เสด็จลงปฏิสนธิที่อุทธรของพระนางพธิธสติ ก่อนที่พระโพธิสัตว์ท่านจะลงมาท่านจะต้องตรวจต้องสอบต้องพิจารณาว่าสเสด็จพระราชมารดานั้นเป็นผู้มีศีลาจารวัตรดีงามไม่ควรค่าที่จะเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์ไหมตอนนี้ช่วยฟังให้ดีผู้ใดอยากได้ลูกผู้จบผู้ดีผู้งามเทวดามาเกิดน้ำกายเบามวลมวลอยู่ในสินในธรรมย่าสุหายฟูฟูแต่เศร้าดือดเ ด, เดตือนกรมานาบูทพยุเหึงตึงสปานหมอบอ่อสางหวไผู้ใดทีจะเกิดน้ำวิ ผีสางคางไลฟ์ขมอดห่างได้มาเกิดนําตื่นคือมาดาคนเดินเด้อกห่ากินตับมึง่งวันสันไพสิจังมาเกิดนํำพวกคนดีๆเขาอย่านห่ากินตับเขาก็มีเจ้าหา่างเดี๋ยวมาเกิดนําถากินตับคนแมียเี่บอกเป็นอย่างนั้นได็กพระโพธิสัตว์ทรงบินาถึงสิลาจารวัฒนแห่งพระช น, นีเห็นว่าไม่เป็นที่พึงรังเกียจก็ทรงยินดีรับการอัญเชิญก้าลงสู่ขันพระมารดาดุดเมขมหง พอปีกลู่ลงสงสนานกายในสะโบกเรนีอย่างเต็มใจฉะนั้นพื้นอัธยาศัยของเสด็จแม่ก็ฝักใฝ่ในการทำบุญทากุศลหยุดตลอดมาแล้วยิ่งได้รับแรงส่งจากบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ผู้ประทับอยู่ในพระคันเข้าอีก ก็ทำให้ทรงทวีสถานในการทำบุญซุ้นตรรานการกุศลยิ่งขึ้นทูนขออนุญาตะสวามีสนชัยสร้างโรงทานขึ้นอีก6กแห่งในพระราชฐานสองแห่งนะั่แท้ประตูเมืองทิศทั้งสี่ทิศแหล่งหุยมารคนยากได้อุบัติขึ้นแล้วนะกุงสีผีเทศตุดอนเนี่ยพอแตลูกพระโพธิสัตว์เข้ามาจุตในขันถือผ้าคาดองรนัญจิตใจได้เปลี่ยนแปลง ชอบทำบนซุนทางานมาก่อนบัดนี้ยิ่งทวีขึ้นต้องอ่อนวอนให้พระราชาพัศวะมีเด็สร้างโลงทานขึ้นมาในพระราชวังเนี่ยสี่แห่งและไปสร้างอยู่ประตูเมือง2องแห่งเป็นหกแห่งท่านดังหลายลองคิดพิจารณาดูเวลาผู้หญิงคนใดคนหนึ่งตั้งทองทรงคันเกินมาในจิตใจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงบางคนมีท้อและจิตใจดีดีเยืกเยน เคยโกรธก็ไม่โกรธเคยดูก็ไม่ดูใจเย็นจังหนามเพราะมีห่อนจังไฟนั่นแสดง ว, ว่าบุตรที่มาเกิด น, นั้นเป็นคนมีบุญได้สังสมอบรมบรารมีมาเป็นคนดีจิตใจสงบลำลับเยือกเย็นแต่บางคนพอตั้งท้อง ม, มาเลยวายพุ่มพุ ม, พมปล่อยน้าพัวได้ก่อนใจหนาเ่ราะันได้ล่างกลุ่มปล่อยตั้งแต่พัวใจดีตัวบางฝ่ายใจหายขัวมักตูมเห็นพัวมาตัดแข่าหยิด ข้างใจละจอดดินใจยังยองก็จะนั่งจะนั่งนี่เด้คือบุได้คือใจกูเท่ๆว่าท่นตั้งแต่ก่อนเธอไม่เป็นเช่นนั้นจิตใจของเธอจะเริ่มแปลปลุนเมื่อตั้งท้องบางคนตั้งท้องอยากกินซอยแซ่ซกเล็ปราบเลือดอีกยังต่างๆบางคนอยากกินเหล่าเมายาบางคนอยากจะกินของหวานหวนบางคนอยากแต่งเนื้อแต่งตัวต่างแต่เป็นสาวมาปาโตอืดยืดเลยวอยบ่มีงามจักหน่อยเป็นเสาวเฟิง บัตรมีโลกตั้งทองมีถือผ้าคาทองมายากแต่งเนื้อแต่งตัวหน้าไม่ออกจากกระจกเน่สแสดงว่าลูกที่เกิดมารักสวยรักงามเจ้าระเบียบคนที่ชอบกินของหวานหวานอยู่ในความสงบนั่นสแสดงว่าลูกมาเป็นคนมีสติปัญญาจิตใจละเอียดมีเหตุมีผลแต่บุคคลบางคนตั้งท้องไปอยากกินเหล่าอยากกินข้องเผ็ดเผ็ดเขมเขมลาบก๋อยซอยแซ่ซกให้นักเลงไงึงมาเกิดแล้ว พอให้เราทั้งหลายเด่พิจรารณาดูให้ดีเหมือนพระเวสสันดรขับมาสุบคันของนางพุสตีทำให้แม่ปราธนนจะทำทานอยากใหญ่หลวงแม่สมบัตท่วนรัศมีพระวรรฐก็ไม่ได้วิป ร, ราชหายเป็นที่เวทนาพระโรคาพระยา ต, ต่างๆก็ไม่เบียดเบียนนางทรงยินดีสเสด็จประพาชมพระนครบทจรนไปตามบาปวิถีทากลางงูสนมนารีดูดจันจับแวนล้อมดุกลุ่มดาว ชาวประชากรก็พากาันแทรกซ้องฟ้าถูกการถวายพระพรใช้ด้วยพุ่มผักกาดและช่อดอกไม้กระทังถึงท้องถนนอันเป็นชุมนุมของตานขาทางการความเป็นไปที่สับสนอัละมานมีการต่อรองเพื่อกําไรและจ้องจะเอาเปรียบของตะเลกันคนทั้งหลายที่ไปรวมกันอยู่นี่ น, นั้นเหตุการสัำคันญได้อุบัติเกิดขึ้นแล้ว ทำให้การเคลื่อนไหวของสัพพชีวิตหยุดนิ่งสินค้าถูกละเลยกำไรขาดทุนถูกละลืมคนพุจริที่คิดจ้องจะเอาเปรียบก็ปล่อยโอกาสเพราะพนางพพสดีทรงประสูติพระโอรสณท้องถนนแห่งนั้นดูก็นาเวทนาเป็นประศัตรแต่มาอุบตทถือกำเนิดกลางถนนแต่ถ้าหาพิจารณาด้วยเหตุผลพอจะเห็นความประจวบบังเอิญนั้น น่าจะมีเจตนาของสวรรค์แฝงอยู่ตามปกติถนนห น, นทางเป็นของกลางสาธารณะไม่ตกดูพาใต้อำนาจผูกขาดของผู้ดใดไกลๆตั้งสิ่งการที่พระโพธิสัตว์สเสด็จออกมาสู่โลกนะ้ที่นั่นเป็นนิมิตคิดให้เห็นว่าพระองค์เกิดมาเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่คนทั่วไปไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของใครคนใดคนหนึ่งตามเป็นคนของโลกไม่เป็นคนของตะกุน ไม่ยอมถูกจำกันด้วยอำนาจของตระกูลเหมือนความดีไม่มีขีดขั้นชั้นเชิงและก็เป็นดังนั้นนนมิตประหลาดสมัยประสูตรแล้วก็เป็นดังนี้เกิดปับ๊บออกมาเนี่ยมืนตาหลดลืมเนี่ยซ้ายขวาเลี้ยวไปรอบๆขอที่สองเกิดมานี่ ผาดมือทั้งคู่นี่แบมาตั้งแต่ในท้องมีแด่กรรมเล่น ย, ยิงสามันทาล็อกขอดีสามพูดออกเกิดออกมาแล้วก็พูดได้ขอทรัพย์กับพระมานดาประทานมูลค่า 1, หนึ่งพันตำลึงขอเงินแม่และถังกันเปได้เข้าหวงปัตถพ่อลูกขวงเกิดมาแล้วขอเงินรวดเดี๋ยวเป็นอย่างเงี้ยข้อที่สีเมื่อเกิดมาขอเงินแม่ได้หนึ่งพันตำลึงแล้วก็ทรงทานให้แก่คนยากไร้อนาถาเรียกได้ว่าเริ่มทําบุญมาตั้งแต่ตกฝากขอดีห้าช้างเผือเกิดร่วม ในเวลานั้นหนึ่งเชือกจากนางช้างตระกูลอุโบสถในแดนหิมาวันทั้งนออกลูกทั้งหนึ่งกจักสร้างเผือก ม, มาอาศัยแกลนไปขคินห้องสร้างไปออกลูกอะไรกันแน่นี้เลยเขาเรียกว่ามีสหาชาติเกิดร่วมใบบุญบุ้งง่ายนี่คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นพระโพธิสัตว์ได้ขนานพรนามว่าเวสันดอนเพราะอาศัยเหตุที่ประสูตถ้ำกลางปนครต่อของพ่อข้าพระบิดามารดาทรงธนุธนอมปกติชาวอินเดียนี่นะ เขาจะตั้งชื่อไปตามชื่อพ่อชื่อแม่บางทีลูกแม่ชื่อสาลีลูกออกมาก็เรียกว่าสาลีบุตรบางทีแม่ชื่อบกคัลีก็ตั้งชื่อลูกว่าบกคลีบุตรติสระอย่างเนี้ยมีชื่อว่าติสระแต่เอาชื่อแม่ชื่อพ่อพ่วงเข้ามาบางทีก็เอามารวมกันแต่ชื่อของพระเวสสันดรไม่เกี่ยวกับพ่อกับแม่พุทธสาดีสนใจไม่เอามาไอเตยถึงเลยตั้งชื่อว่าเวสันตะแปลว่าตอก ของพ่อข้าที่จุมนุมของพ่อค้าอันนี้พระพุทธเจ้าทันเหล่าเองดังในพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบสามจริยาปีฎกจริยาที่กล่าวนาห่าร้อยบรรทัดที่กล่าวพระพุทธองค์กล่าวว่าทัศมาเสธรยิตตวากรลนเตปุรังพทักขินังเวสานังวิธินังมะเถชเนสิพุสตีวามังนะไมหังมติกังนามังนะปีเปติกัสังภาวังชาเตทาเวส วิชียังตัสมาเวสันตโรอะพะนางผู้สดีทรงพระกรทครบสิบเดือนเมื่อส่งเที่ยวรอบเมืองพระนครพระนางก็ประสูตรเราณนะทำการถนนของพวกคนค้าขายพระนามของเราจึงไม่เนื่องข้างฝ่ายบารดาบิดาเพราะเราเกิดที่ถนนของคนค้าขายฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าเวสันดรตัสมาเวสันตโรอา่างแง่เพิร์นวอล์ฟเปนเองใดมันเป็นอดามาว่าเวาเองก็เลยตั้งชื่อยอย่างนี้แต่สิ่งที่น่าคิดอีกอันหนึ่งนะ อาตมาก็อยากจะพูดต่อไปแต่อย่างไงก็ตามเดินกันนี้ให้มันจบซะก่อนเมื่อพระ อ, องค์เกิดมาและเกือบจะไม่มีโอกาสร้องไห้สเสด็จพ่อสเสด็จแม่ตั้งหลายเอาอกเอ า, เอ า, เอาใจได้คัดเลือกเอานางสนมนาลีสุภลักษณะนาถิสวยสดงดงามเป็นพระผี่เลี้ยงอภิบาลหกสบสี่นางพระกุมารเกือบจะไม่มีโอกาสร้องไห้พอเริ่มเจริญไวไัยดได้เลี้ยนสาก็ปรากฏอุปนิสัยโนยเปียงไปในการบริจาคส่งปวดเปลืองเครื่องประดับกายออกประทานแก่พระผี่เลี้ยงนางนมตามวรรตต่างๆ ถึงเก้าครั้งเมื่อพระชนปรรสาได้แปดปีทรงปรีพระองค์สูตที่ระโหฐานและสรงคิดว่าทานภายนอกพระหิรัศทานก็ได้ให้มากพอมากแล้วยังไม่ได้อิ่มใจเลยก็คิดกันต่อไปอัจฉติกทานทานภ า, ายในห้าผู้ใดก็ตาม เห็นว่าดวงใจของเราตาของเราเนื้อของเราเนือดเลือดของเราจะมีประโยชน์แก่ตนและมาเอย่ยขอต่อเราเรายินดีเราจะสละให้ ห, หรือไม่ประสงค์เอาตัวเราไปเป็นทาสรับใช้เราก็จะสละตัวเองเพื่อเขาผู้นั้น นี่ท่านดำลี่อย่างนี้พู้เป็นคาถาตอนนี้อยู่ในกันหิมพภานคาถานี้หัวใจพระเวสสันดรซึ่งเราตั้งมาเป็นบทเทพขึ้นข้างต้นว่าหากถยังถ้าได้ยังจักคุ้มมังสังปีรุชิลังปีเิตธไทยยังกายะสวเวตวายะฮิโกโยะเชเยมาังมาเราบึงสละหัวใจดวงตาเนื้อกายและเลือด ถ้าใครขอเราเราก็ยินดีดามมาที่จะให้คมอธิษฐานบารมีมหาปฏตภยกหวาดวันไหวเป็นที่อัศจรรย์เขาเสนเนุราชสั่นสะเทือนด้วยอนุภาพแห่ง การตั้งสัจจะอธิษฐานพระกุมารโพดิสัพในการนั้นเมื่อพระชนมาอายุได้สิบหกปีสำเร็จจากการศึกษาทรงคุณสมบัติของบุรุษอย่างสมบูร์พระบิดาป่าถนาพระราชทจารามราชสมบัติแก่พร ะ, รพระองค์กิงชวงปุดซาปึกษ า, ษาพนางพฤษีตกลงได้ไปขอเมียมาให้วอกภาษาบ้านเฮงง่ายต้องหาคนที่ดีที่งามที่สุดในสมัยนั้นก็เลยได้ไปขอคู่อภิเสกคือได้ไปขอพนางมัตสี ซึ่งเป็นบุตรสาวของพญามัทราชก็เลยไปขอมาอภิเศกสมรสซะเรียบร้อยโดยมีช้างปัญญนาคเป็นพาหนาักขู่บาลามีบรรดาบาอดีพานิชฐ์อมกาพทาดบริวารทั้งหลายตลอดทั้งพระสง์ในกรไพ่ฟ้าอนาประชาราชได้ทาบุญให้ทานเฉลี่ยความสุขไปในหมูค่คนยากอย่างกว้างขวางและโดยอำนาจธรรมนี้เอง พระ อ, องปปค์ได้ปกครองแผ่นดินเมื่อได้รับพระราชสมบัติจากปีดานั้นด้วยการบริหารประเทศชาติด้วยการให้ทานความร่มเย็นได้แผ่ไปทั่วขอบเขตขันธศีมาอาาจากรกรุงศรีพีเชศดุดอนนครที่อุ ด, ดมด้วยโคคะก็กลายเป็นนครแห่งอุ ด, ดมคติที่บรรลุถึงจุดสมบูรณ์ด้วยอำนาจการศีลศรัทของชาวนครซึ่งมีพระเวสสันดรเป็นประมุก พูดง่ายๆว่าประบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่เพราพระองค์ทรงให้ทานบริจาคมาพูดมาถึงตอนนี้ประชาชนจนทั้งหลายก็ทําตามบ้านเมืองไม่ต้องเป็นนิกไม่ต้องเป็นนกไม่ต้องเป็นอุตสาหากรรมใม่อุตสาหากรรมเก่าอะไรก็ไม่ต้องฝ่ายฟันถึงสร้างบ้านสร้างเมืองอย่าให้มีคนตกทุกข์ใดๆคนรวยมากแต่มีคนจนมากนั้นไม่ชื่อว่าเป็นความสําเร็จของนักบริหารชั้นดี คนรวยมากแต่ขาดสินค้าทําคนรวยนั้นก็จะเอาเปกับคนยากคนจนยิ่งคนยากคนจนมากขึ้นคนรวยก็รวยมากขึ้นเพราะมันเป็นดูดเอาทรัพยากรจากคนยากคนจนแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนยากคนจนในขอบเขตกานศึกษามาบนชนชนระบทมีอยู่มีกินคนรวยทั้งหลายไม่ต้องรวยมากรวยกว่าคนยากคนจนก็พอใช้กันได้แล้วเดี๋ยวนี้บางเราเมืองเรากําลัง ประโคมข่าวกันเรื่องนิกสร้างประเทศให้มันจากสนามรบกลายมาเป็นสนามการค้าแต่คนร่ำคนรวยรวยขึ้นผิดหูผิดตาวสร้างกรรมมากมายขึ้นกลายเป็นประเทศนิกแต่คนทั่วไปจะถูกนกจะล้มละลายเพราะเป็นนี่เป็นสินอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จเลย พระเวสสันดร น, นั้นเน้ไปที่ไม่เห็นมีคนทุกคนอยากถึงแม้จะไม่มีคนรวยก็ตามเพราะหาว่าถ้ามีคนทุกคนยากมากเนี่ยคนรวยมากเท่าไหร่ก็ตามคนทุกคนอยากมันมีมากนั่นแสดงว่ามันได้ดูเอาทรัพยากรด้วยการเอารัดเอาเปรียบกดขี่คอมเพงกันขึ้นไปถ้าหากเกิดมันการเสียสละเอเื้อเฟื่อเผื่อแผ่กันขึ้นมาคนรวยเมื่อมีสินมีธรรมเหมือนพระเวสสันดรเป็นตัวยอย่างจะเป็นแฝดถีใจบุญมันจะตายจากความเป็นนายทุนหน้าเลือดที่จะไปศูนยนิกุสาหกรรมใหม่จนกลายเป็น คนผู้คนยากกลายเป็นนอกไปเลยถูกนอกทางภาพกันไปเลยอย่างนี้พอเหตุ น, นั้นนครแห่งอุดมคติก็บรรลุสู่เป้าหมายคือถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยอํานาจในการเสือสละของชาวนครด้วยเหตุแห่งพระเวสสันดรซึ่งเป็นองค์ประมุขของชาติได้เป็นตัวอย่างเสด็จไปเยี่ยมไพลฟาอนาประชาราชผสมในกรภายใต้เบื้องยุคคนบาินลุงเรืองเมืองกันดานบัน่นลึกลับบัน่นเล็เมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโต เหมือนประบาทสําเนิดประชาจุหองของเราเพราะองค์ทรงไปนั่นแหละไปทีไห้ก็บริจาคทานดูอย่างนั้นชาวบ้านฝึกหะดบดีเซทิ้งกระดุมผีทั้งหลายก็เอาเป็นตัวอย่างบ้านเมืองสงบร่มเย็นนีการต่อมาพนางมัธย์ก็ทรงให้กําเนิดโอรสที่น่ารักทรงพนางวัดชาลีพออาศัยดิมิจากคายทองคำเอามารองรับเอาเข่งค้ำมาห้องเนียมาเกิดใหม่หนะก็เลยเอิดว่าซาลี ต่อมาอีกหนึ่งปีก็กำเนิดพระราชธิดาคณานามว่ากันหาชินาพอรองรับด้วยหนังหมีอันเป็นสลิมงคลความสุขสันติเป็นประยางดีเลื่อนโยประการนังนี้คนน้องเป็นผู้หญิงชื่อว่ากันหาชินาเนื่องจากว่าเอาหนังหมีดำๆมาห้องมื่อเกิดออกมาวันหนึ่งยามสายในวันธรรมสวรรค์อัฐธธมีดีที่แปดพระเวสสันดรทรงประทับ เ, นออเนหนือคอปฏิยานาบายพระพักมุ่งสูโลงทานที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะศิษฐ์ คือในวันพระพระองค์จ ะ, สะเสด็จพระราชาทานสิ่งของต่างๆแก่ประชาชนในงฐานนอกแก่พระราชาวังและยังออกไปในกำแพงพระนครในวันนั้นกพ็พอดีพอดีพอดีในขณะที่ดวงพระไทยอิ่มเ อ, อิบด้วยด้วยศรานั้นซอดทอดพระเนตเห็นคนยากกลุ่มหนัง ทลาออกจากข้างทางพากันคุกเข่าพนมกรอยู่ทา่ามกลางมักคาะทรงชะลอบาทช้างรับฟังชัยพอและคำร้องทุกของเขาได้ขวับ่าเขาทั้งหลายรวมทั้งสิ้นแปคนเป็นชาวกลิ่งขลาดได้รับบัญชาจากพระองค์มหักษัตริย์แห่งแวดแครนั้นได้บอกว่า เมือกงกาลิงคาลาั้นแห่งแรงมาแล้วจะไปจะเดินประชาชนทุกอยากลำบากอ๋อหิวหอยพร้อมโซกหัวโปโปโหัวเขาโ ป, โปโปก็หล่อลก็แล่นตายเหมือนประเทศลาเหมือนประเทศเอธิโอเปียดังที่เราเห็นในโทรล่าทัพพอฝนฟ้าไม่ตกภา ร, ราชาก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขสุดจะเยียวยาพากันคิดได้อย่างเดียวว่าถ้าหากได้ช่างมงคลนะครับที่ปัญญาเขนของพระเวสสันดรที่สีพีเช ต, ตุดร น, นคร น, นี้เข้าไปเยียร์ให้ฝนฟ้าคงจะตกต้องเพราะเป็นช่างที่สมบูรณ์โดยอุ ดมมงคนดาฮพระเวสันดอนได้ฟังดักนั้นก็คิดว่าความทุกข์ร้อนที่เกิดหน้าเวทนานดุดลูกกัม้าที่ขาดแม่นี้ซักไซด์เด้ความแน่ชัดว่าการเสีสละให้ช้างเป็นทานนี้จะเป็นประโยชน์แก่เขาปลดเปื้อนความทุกข์แก่เขาได้ก็เลยตีใจลงจากหลังช้างเลยพระเวสันดรมือขวาจับมวงอยิยาามือซ้ายกลาาดลังน้าทักสิโนโนทุกปรากฏลงในมือผาด อธิษฐานใจสาทุขอเดชแห่งการให้ทานปิยน า, าเค็นั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่พันิพานอมตามหานิพันในอนาค ต, ตการเบื้องหน้านุ่นเถนิมอบช้างให้แก่ธำแต่คนเสาสเสนรุราชสั่นสะเทือนผื้นแผ่นดินได้กระเทิลเลื่อนลั่นอีกวาระหนึ่งด้วยอำนาจแห่งการให้ทานครั้งนั้น ประชาชนไม่พออกไม่พอใจพอให้ทานแล้วก็ต้องเดินกลับมาด้วยเท้าเปล่าเปล่ า, าช้างก็ให้เข้าบรรเลงเขาก็ ข, กขีออกจากนคะรแล้วชาวบ่านตีอกทกใจร้องหอมร้องไห้เสียใจพระเวสสันดรคนบอกเป็นตาออนซอนอับ ป, ปีจังไรคนสีกระดานมีหย่างเขามาขอให้หมดอีกหน่วยเขามาขอบระนะครก็คงจะต้องมอบให้ทายอย่างนี้พวกเราตายแน่แน่ยอมไม่ได้ประชาชนจังไรปลุกระดมกันลุกขึ้นฮือเลยเดินข บ, บวนประท้วงตอบพระจับแผ่นดินขอให้จับพระเวสสันดรมาฆ่าทิ้งทหารชีวิตหรือมิฉะนั้น ก็ไล่หนีออกจากพระนครพระยาสนชัยได้ฟังดังนั้นคําร้องทุกข์ของประชาชนพระองค์ก็สดที่จะทนทานหันหน้าปรึกษาฮาเลกันกับพานางังผู้สดีว่าจะเอาอย่างไรดีการที่จะให้เราฆ่าลูกของเราเป็นไปไม่ได้มีวิธีทางเดียวไล่ในประเทศออกจากพระนครไปอยู่ที่เขากีรีวงกดเยื่ยงนักพศผู้ทรงสินชอบพัมบุนให้ทางก็ต้องไปอย่างนั้นถ้าจะให้ข่าฉันทําไม่ได้ก็เลยรับปากชาวบ้าน ว่าจะไล่นี้จากพระนครวันแล้วก็ให้นายนักการเขียนหนังสือนำสารไปบอกในเดนเย็นวันนั้นพระเวสสันดรก็เลยได้ตกเป็นจำเลยถูกไล่าจากพระนครรู้ว่าตนเองเป็นนักโทษแต่แล้วก็เลยขอร้องต่อเขาว่าขออยู่สักสองวันสามวันจะได้ไหม เพราะว่าจะได้จัดการกับทรัพย์สมบัติส่วนตัวที่มีอยู่จะได้ทําสัตสัตรกตรกมหาทานให้ทานอย่างยิ่งใหญ่ยอย่างละเจ็ดร้ยเจ็ดร้อยจัดการกับทรัพย์เสร็จแล้วฉันจะได้จัดการกับลูกกับเมียของฉันจะให้เมียอยู่ยังไงให้ลูก อ, อยู่ยังไงเอาไปด้วยก็ไม่ไหวเลี้ยงกันไม่ไหวเรามันทุกข์มันยากไม่มีหัวนอนปลายตีนเป็นคนล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวซะแล้ว นางมาทีหรืกอกับยังสาวสวยจนงดงามใครก็ปาฏนาไม่ว่าจะเป็นพรมมหาศาลคือหับอดีมหาศาลหนแหวนแควนคงจะปาถนาเป็นแน่แท้พูงง่ายๆถ้าเป็นภาษาบ้านเหล่าซับจะต้องจัดการลูกเมียจะต้องจัดการให้เรียบร้อยท่านางปาเตะซับเป็นบ่วงล่ำเทา้าบุดตังคีเวบุตรเป็นเชือกผูกคอสามีภรรยาหัดเทสามีภรรยาเสมือนปอผูกสอกผูกมือ เสื้อผูกข้อปอผูกสอกปอกซุบตีนสามอันหนีผูกผูได้แล้วมีแต่ดินแต่แมงตายดีไปใสปไ่ไ้เพเวสันดอนจะต้องการแก้สามปอนิ่งให้ได้คือจัดการกับซับกับลูกกับเมียซะ ก, ก่อนเลยขอผัดผ่อนสักสองคืนเขาก็โอเคกลับไปหลังจากนั้นพอเวสันดอนก็มาลํำพึงเชีวิตที่จะต้องแก้ไข หาพระ อ, องค์ทรงทําบนได้ด้วยการมุ่งหาคะแนนนิยมจากหลมปากคนเหตุการณ์ครั้งนี้ของจะสร้างความผิดหวังรันทดให้ไม่น้อยแต่นี้พระ อ, องค์ทําความดีเพื่อความดีแม้ผู้อื่นเขาจะเห็นเป็นความชั่วร้ายแต่ก็ไม่ทรงหวั่นไหวเหลือแต่ความกังวลที่มีต่อพระนางมัตถีและโอรสธิดาทรงขอพรเวลาเพื่อสั่งเสียบุทภรรยาและจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติทักสองลาตีซึ่งก็ได้รับอนุญาตดังคาดคิดเป็นว่าจะต้อง แก่เชือกปูคอปอผูฟอกซึ่งทุกคนนี้ไม่รอดโลกนี้ไม่พ้นกบเพราะอำนาจห่วงทั้งสามนี้แต่ยามดีไม่รู้สึกจะได้สํานึกกันก่ตอนที่เขาถูกมัดตาสังไส้โลงผวนยามตายเขาจังมัดเสือกใส่มือหั่นใส่ขาใส่คอเขาเรียกวัดมัดตาสั ง, งยามนั้นจึงได้สํานึกมันสิสํานึกได้จังดี <S <S แต่พระเวสสันดรดนั้นท่านทำความดีเพื่อความนี้ท่านไม่ได้พิดหวังเขาจะไล่ออกก็ตามเราได้สร้างคุณงามความดีพอใจพูดไปพูดมาคนมีธรรมะมันต้องทำดังนั้นดูพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดในวานเนี่ยบางทีเร่อ ง, งานทำนังสือจะแจกให้แก่ประชาชนในงานให้คนได้อ่านหนังสือทำมาทำกันตั้งกงวันกลางคืนตั้งทั้งเนนบางทีก็ จ, จัดการบริหารอารามงานหนักหนักทำกันหามรุ่งหามค่ำบางทีเนี่ยไปขุดบ่อให้ชาวบ้านกินน้ำในหน้าแรงมันอดยาภาอีสานภาคเหนือลุยขุด บ่อหรือบอ่อชาวบ้านโอ้ยาคูคือเก่งแท้กินข้าวเธอเดียวหนึ่งคือเก่งแท้คุดสร้างทำงานได้เบิดเมือ่อแนยอมกินวันละสามครั้งยังทำไม่ได้แต่ที่พระท่านทำได้นั้นทำเพราะมีกำลังใจมีศรัทธามีปราสาทเมตตากรุณ า, า, าปานีที่จะมีต่อชาวบ้านต่อเพื่อนรวมทุกเกแกเจ็บตายชีวิตเรากินวันละครั้งเดียวฝากปากฝากท้องไว้กับชาวบ้านบาน ไม่ไม่มีอยู่อูไม่มีนอนไร่ไม่ได้หาน้าไม่ได้ทําชีวิตที่เนื่องอยู่กับชาวบ้านทำต้นให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านไม่ได้วังอะไรมากกว่านั้นไม่ได้หวังเกียรติยศถือเสียงอะไรต่างๆทําด้วยทํา คนมีธรรมมันทำอะไรได้มากไม่ได้เงินเดือนแม้แต่วันละสะตางค์ก็ยังไม่ได้เดือนละบาทก็ไม่ได้พระท่านก็ทำได้ด้วย อ, อำนาจแห่งธรรมทำโมโหเวรละกะติธรรมาจาริงทำ่อมรักษาผู้ประพฤติทำให้ผู้ประพฤติทำเป็นคนดีอยู่สเสมอท่าวันใดผู้ประพฤติทำเพี้นไปนันธรรมหมดแล้วทำไม่รักษาก็เลยไม่รักษาทำมันเป็นอย่างนั้น เอเวตนองก็ส่งติดอยู่ในห่วงก่อนจะไปจำจะต้องทำลายห่วงห้าความอิสระเสียก่อนตัดห่วงล่างเท้าโดยรับสั่งให้พนัก ง, งานเบิกเงินตาร่าจะซับอื่นๆส่วนที่เป็นของพระองค์มารวมไว้เรียกว่าสตตะสตะกะมหาทานทานที่ประกอบด้วยวัตถุมีค่าศิละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสตตะแปลว่าเจ็ดสตะแปลว่าร้อยเจดรอย สัตตะสัตกรต ร, ตรมหาทานทานอย่างละเจ็ดร้อยช้างเจ็ดร้อยม้าเจ็ดร้อยรถเจ็ดร้อยข้าทาชายิ้งอย่างละเจ็ร้อยอาพรพายพันเงินทองโคโนมซอและผัดแม่กระทั่งสุราเนี่ยเล่าก็มีนะพระเวสสันดรทานเพราะว่าในปัตติวิโดเขเขียนอย่างนี้จะจริงหรืเทศประการใดอาตดมาก็ไม่รับรองเหมือนกันไม่ทราบว่าพระเวสสันดรจะทานเล่าไปทําไมก็ไม่ทราบมันมีในปัตติวิโดเล่มที่28ก็เราไปแปลดู เนี่ยใกานหิมาพานนี่เป็นทานรับสั่งเตรียมไว้ทรงประทานผู้ใดอยากได้ให้มาเอาเด้อคอยสิทานห้องคอยปากกอหว่าข่าวเดียวเกี้ยงคึกมีแต่คนย่างได้มาเอาเป็นอันว่าตัดแล้วบ่วงลาบเทาวหลังยังนั้นก็เหลือแต่เชือกผูคอปอผูกซอกคือเรื่องเชือผูคอลูกม่อพาละเลี้ยงลูกสาวลูกชายบุตรทิดาแก่นางมัธย พระองค์เองสิ้นโอกาสวาสนาจะช่วยอยู่ชุบเลี้ยงอีกต่อไปมั้ทีเอยฉันไม่มีบุญวาสนาจะเลี้ยงลูกสาวลูกชายของเราให้ใ ห, ใหญ่โตได้ฉันม่อมให้แก่เธอเธอไม่ได้ถูกขับไล่ไส่ส่งไปไหนเธอมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในนครสีผีเชษฐ์ตุรนหรือหากว่า เธ อ, อยางจะกลับคืนไปสู่นครมัรลาดกับเสด็จพ่อของเธอเธอก็ไปได้ที่นูนก็รอคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นชีวิตของเธอไม่ตกต่ำและย่ำยากหรอกมัธย์เอ๋ยหากว่า จะมีกษระสัมหาศาลถามหาศาลในแว่นแวนปาธนาตัวเธอมัถีเธอจะได้ห่วงฉันเลยเธอจงไปเธอเพื่อชีวิตอาจเป็นสุขนี้คือความรักอันบริสุทธิ์จากใจของฉันซึ่งมีต่อเธอพนามมัได้สดับเหตุการณ์จากภาษาหมีเช่นนั้นเมื่อนแกจะขาดสแสดงน้ำพระทยัยอันเด็ดเดี่ยวพักดีออกมาไม่ให้จะถูกขูด้วยความทุกอย่างในปาภายัยอย่างไรนางก็ไม่ยินดีอยู่ ถึงแม้จะบอกว่าที่ป่านูน้นเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนาน า, นาปรากาุ้ยส า, ารพัดอย่างต้องไปกินท้นมากลาบไม้หัวมันตามมีตามเกิดชีวิตฉันคนเดียวก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ผ่านางได้ฟังหลังนั้น เหมือนคมดาบเสียบตรึงกลางหัวใจเหมือนหัวใจจะแตกสลายแทนที่พระ น, นางจะดีอกดีใจบันผิดกันกันกบคนสม่ไม่นี้ผัวไปเมืองนอกส่งเงินมาเดินละหมื่นสองหมื่นไม่จะคุณโยบ้านเที่ยวแจกกายของดีเอาเองินของสามีไปบำเลอใส่ ส, สูงสัมบลุตจนหนา อ, อีตายเว่นตัดตัวผัวไปรับจางเมีย่างตัวไปขีม่มอเตอร์ไซค์แแปลนแปลนแคล้อไปปกครองตังนี้หน่อยไม่ใช่นนั้นจว่าทำไมไม่อยากจะเป็นคนดีเหมือนนางมัธยีกันเลยนางมัธยีนี่ผัว อุตสาหมีทรัพย์สมบัติมีอะไรทุกอย่างมอบให้อยู่ในศีภีเทศตะดอนหรือจ ะ, จ ะ, จะกลับนครมัทหลายจะแต่งงานกับผู้ใดใครก็ปาฏนาเอาเถิะฉันไม่ว่าอะไรสักคำนั่นเป็นความสุขใจของฉันนางบอกว่ากระหม่อมขาในป่าใหญ่ถึงจะมากด้วยภัยฉันไม่ยอมถอยหนีถึงจะไปนาลกไปสู่อเวจีถ้าหากมีพระเจ้าพี่และหม่อมฉันไม่หวั่นเลยโลเรืองลือขึ้นชื่อว่าผัว จะดีหรือชั่วประคุณเจ้าเอ่ยก็สุดแต่กรรมจะตามมาเกย์ฉันไม่ขอห่างเฉยองค์พระราชาจะขอร่วมยากไม่ยอมถอยหลังแม้สวรรค์นในวังก็ไม่ปรารถนาขอเคียงคู่บาตองค์พระพัสดาไปจนกว่าชีวาของข้าจะสิ้นบุญแม้ปินเกตจะไม่เมตตาดวงชีวาของข้าจะเห็นศูนจะกองกองเพลิงให้เริงจํารวนจะขอสิ้นบุญอยู่ในเชิงตะกอดแ น, น่เห็นไหมขันว่าให้ไปนํามสิดังไฟขืนโดนเขากองไฟให้มันตาย ใจถึงขนาดนั้นบ่าวจะก่อกองเพลิงให้เริงจำรูญจะขอสิ้นบุญอยู่ในเชิงตะกอนดีกว่าอยู่ทนสู้อับอายให้ชนหญิงชายก็พากันค่อนเมื่อยามมีสุขสียร่วมฟูั่วมหมอนและเมื่อยามทุกข์ร้อนแล้วก็มาเปลี่ยนน้ำใจยามสุขสมบูรณ์เคยได้ร่วมยศถึงยามอับผยศก็จะไม่ก่อย้ายเป็นชาบหลายฉิงเป็นหญิงหลายชายจะตังอะไรกับคนขายตัว ใช้รูปโฉมประมสเสน่ห์ที่ยวร่อนเรศแสวงผัวไม่มียางอายคบชายชั่ ว, วมันก็ช่างเหมืออหมัวเสื้อเต็มประดาผู้หญิงเช่นนี้เป็นลูกสาวใครพ่อแม่ก็เสียถ้าหากเป็นเบียผัวเองกอดเสาตาหากเป็นแม่ทั้งลูกทั้งเต้าก็พลอยอายเข้าไปทั้งเหล่าตระกูลวงนั่นฟังนางพูดสิผัวถ้าผู้หญิงอย่างนี้ เอาลูบโฉมโนมพันุ์ไปประลมสเสน่ห์ไปเที่ยวผัวเพ้อดิ๊ดเดียวแต่งตัวเช้งวัดคำเตาหวานเยิ้มแต่คนโน้นคนนี้ใครมาชวนไปเที่ยววิคีโบดไตแเปนผัวไปเมืองนอกส่งเงินมาให้ไปกับผู้บ่าวเลีวปาลูกวัยที่บ้านยังนี่เป็นลูกใครพ่อแม่ก็เป็นเศร้าใจเป็นเมียใครผัวเองก็ทุกข์เป็นแม่ใครลูกก็อับอายเอ้ยเมีโตจะเป็นเป็นหายนอ้อผ่าว่ะ นี่หน้าคิดเท่าเกือบตายแล้วทําให้ลูกชายลูกสาวอับอายไป้าเป็นผู้สาวสํานอ ย, ยูย่เลยขอไฟยห่ธารมาปากแล้วพูดตรงนี้คนไม่มีสิลวิจารมันเป็นอย่างนี้ไหมเหมือนนางมัทีแต่นางมุทีเนี่ยโอ๊ยงอมตายซะดีกว่าอยู่เป็นอย่างนี้แล้วนางก็ลำพึงลำพันต่อไปว่าเสด็จพี่มหาราชเจ้าพระองค์จะเสด็จแต่โดยเดียวไม่สมควรลอยมอมฉันจะร่วมเสด็จด้วยนางช้างพัง ติดตามช่างพายตัวประเสริฐด้วยความพักดีสุดแดนวานาชันใดแม้หม่อมฉันก็จะพาชาลีและกันหาตามเสด็จไปเบื้องหลังฉันนั้นเราจะเป็นผู้เรียงง่ายอยู่กับพระองค์พระองค์จะได้สงทอดพระเนตรโอรสธิดาลูกของเหล่านั่งเล่นอยู่ตามพุ่มไม้ริมอาสน์อันรื่นรมสงซีงเจราจาระหว่างพี่น้องอยู่เจิดแจ้วพูดกันเล่นกันงอมแงมงอมแงมแล้ว เธอจะพากันประดับองค์ที่ดอกไม้ป่าพลางเล่นฟ้อนรำกันอย่างร่าเริงเมื่อ น, นั้นก็จะสรงรืมลาชสมบัติสเสด็จพียามเมื่อมีโอกาสทอดพระเนตรช้างสารอายุหกสิบปีเที่ยวอยู่ในป่าและได้สะดับช้างพลายผู้นำฝูงช้างพังบรรลือเสียงดุดนกกระเรียนทอดพระเนตรไพรชัดหมู่ไม้ทั้งสองข้างทางอันเกลื่อนก้นไปด้วยหมู่มิคขมาพากันญาติเยืองอย่างอาการที่สนานาม เหล่ากินนาลีนารอนฟอดในยามเย็นแท่ฟังนาทีทาน จะได้ทรงฟังเสียงเกืกกลองแห่งกระแสน้ำไหลโปรกลงจากยอดผาผสมกับเสียงขับเพลงของสกุลโกกีฬานกเขาแมวนกกาวอลซอนกายอยู่ในซอกเขาหมู่พานมิกในป่าประกอบด้วยราชสีเสือโคร่งแรดและโคราน่าดูไม่น้อยเสด็จพี่อีกทั้งนกยูงที่กำลังลำแพนหางอย่างงดงามเกลื่อนกลไปด้วยนางนกยูงที่พวงหางวิจิตรลำแผนยกชวนพิษดังเทพอัปสรหลอมฟ้า ต่ได้ทอดพระเนตรหมูม่มวลพฤกษชาติที่มีชูช่อบานย้อยระยะฟุ้งไปดึกลิ่นหอมพางฟื้นดินเชี่ยวเอลิมประคมไปด้วยมแมลงข่อมทองแมงคับขนะดสลับลุกขชาติที่งามระปันเสด็จพี่มหาราชเ จ, จา้าลำเนาป่าเขาแถบคุนเขาหิมาลัยวันพดกกำลังรอคอย ให้ทรงทอดพระเนตรอยู่แล้วชั่วกาลนานพระองค์จะทรงชื่นบานไม่มีโอกาสและลึกถึงราชสมบัติอีกเลยทีเดียวแหละเสด็จเถิดไปค่าหม่อมฉันจะตามสเสด็จไปทุกย่างก้าวพระพุทธเจ้าของเราทรงกล่าววา่ากุลนาลีไดละลายทุกในอกของสามีเสด็ได้ด้วยศิลปะกปลียนสภาพอลัมเคนในห้วงให้เป็นประดุจร ม, มณียสถานวิสามาแห่งการบำเลจิต กุลนาเรนั้นเป็นรัตนะอันประเสริฐที่บุรุษควรเสีย่ยงชีวิตแสวงหาไม่ไหมยามทุกยากผู้จา่าปอะเปลาะปลมจิตใจสามีให้เกิดจิตใจคือท้าที่จะต่อสู้กับชีวิตไปเถิดยอดหลักป่าดงพงภัยเขาจิริวงกตกำลังรอคอยเราณนะที่นั่นจะเป็นสวงสวรรค์ของพวกเราลูก น, น้อยสองคน จะเล่นงอมเงมงอมเงมอยู่ข้างอาสมใต้ร่มไม้ใหญ่ริมฝั่งสะโบกคลณีเก็บดอกไม้มาแสมเสียบผมปั้นตุกตาให้กันเล่นน่ารักยิ่งนักวันนั้นสเสด็จพี่และหม่อมฉันจะลืมสีผีเชดดุดรนนครที่ลุกเลืองด้วยโพคะแห่งนี้ไม่วันนาลกหรืออเวจีถ้ามีพระเจ้าพี่หม่อมฉันไม่หวันเลยมาผ่านกันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ ต่อไปก็ก้าวสู่ธานกันมีทั้งหมดสองร้อยเก้าคาถาอาจจะจะจุดเทียนก็จุดไปเพราะว่าแต่ละกันในระหว่างที่มาผ่านและธานากั น, นีนยาวเหยียดเลยมันมีคาถามากโดยเฉพาะอยู่านนหนึ่งร้อยสามสิบสี่คาถาผ่านไปส่วนธานกันนั้นสองร้อยเก้ารู้สึกว่ายาวกว่ากันอื่นถาท่านต้องการจะจุดเทียนคาถาก็เตรียมจุดกันได้สองร้อยเก้าคาถาสองร้อยเก้าเทียนพอดีตัวธานกันนี้เรายังไม่ปฏิ ปริทั์กันพาะจะขอเดินเรื่องนี้ไปให้มันได้สักสองสามกันแล้วค่อยมาย้อนมาปริทั์มาชี้แจงแจ้งว่าแต่ละกันนั้นมันมีคุณค่ามีความหมายทางจริยธรรมกันอย่างไรเมื่อกี้จบไปแล้วหิมะผ่านหมัดนี้ก็ทานะกัน แม่คนทั้งโลกจะเล็งเห็นว่าเป็นผู้หมดค่าไม่พึงปรารถนาอีกแล้วแต่ก็ต้องมีอยู่คนหนึ่งละที่ไม่เห็นด้วยคู่นั้นก็คือพระแม่นางพุทธเไี้ดรงสดับข่าวเดลเทศประเวศสันดอนพระสวงเพียงจะสลายด้วยวิปโยคเสด็จมาเยี่ยมนักโทษที่ฝุงชนเขาชิงชังทรงกันแสงร้องไห้แล้วก็เสด็จไปสู่ตำหน่งพระราชสวามีขอตภัยดุจดีขอโทษขออภัยให้ พระราตสวามีเนี่ยประธานอาภัยให้แก่ลูกและก็ปัดทวงด้วยเหตุผลของแพ้แต่ก็ไม่เป็นผลสเสด็จกลับมาปองเวนปรงกรรมกับโอรสและลูกศีสะพยจนสวะในคืนั้น พนางุดสดีและทั้งสี่กษัตริย์ไม่หลับนอนกันเลยตกลงพระไทยเด็ดเดี่ยวที่จะก้มหน้าก้มตาไปร่วมชีวิตกันในปากเขาว่งกอดสะแลว้วความวิตกทุกข์ร้อนก็สางไปจากดวงฮัทไย่ชิดใจมันพร้อมที่จะรับเหตุการณ์แห่งความทุกข์ไม่ว่าเมียไม่ว่าลูกไม่ว่าผัวนี่เป็นอย่างนี้ พวกเราถ้าตกทุกข์ได้ยากผัวเมียมีกำลังใจพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะหวาดกลัวเหมือนพระเวสสันดรและพานางมัตตีพร้อมที่สุดที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ หลังจากทรงสเสวยเสร็จพระเวสสันดรก็ทรงนึกหวัดถึงเวลาจึงตัดชวนพนางมัททีและชาลีกันหาออกสู่โลงทานบำเพ็ญสตตะสตะกรรมหาปาริจจทานทานอย่างยิ่งใหญ่แกมูคนยาจกกวานิพกคนอยากจนยงังว่าเจ็ดร้อยเจ0ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็หมดเลยเนี่ยนางมัททีนั้นเมื่อทำทานเสร็จแล้วทีนี้ก็พยาสนชัย ก็มาห้ามมาปามอยากจะให้ลูกสะภย้ยนี่อยู่พร้อมทั้งหลานแล้วพนางมัธยีก็ให้เหตุผลให้คำทูลกขมาอรสแล้วทาตแท้ของพ่อถูกพางไว้ด้วยมายากรัพั์ไม่ตัด ก, กับโอรสบอกากับลูกซัำทรงหันไปตัดห้ามพนางมัธยีผู้เป็นสะั้ยไม่ให้ไปกับสามี มัดทีนั้นมีเหตุปีผลของสตรีที่เป็นยูด้วยปาจะจากสามีว่ามีฐานะเท่ากับตายทั้งเป็นซึ่งเรียกกันว่าหญิงไม่ความจริงในประเทศอินเดียนี่ถือกันมากจนมีพิธีสตรีนะผัวตายจีเมียโดเข้ากองไฟแต่เมืองไทยเราคงไม่มีร้องไห้ไปถึงแค่ป่าชาตอนกลับมาก็หักฟดไม้ทับทางหย่านเพื่อนำไม้เฮือนหลังจากนั้นก็เหลือแต่ กองสอนเท่านั้นแหละที่ไฟลุกไหมอานิจจากระดูกกูเอ๋ยอยู่ตรงนั้นเองผู้ที่ร้องห่มร้องไห้ไปถึงป่าเผาเสร็จเรียบร้อยกลับมาภรรยาหาฟดไม้ทับทางเอาไว้กลับมาบ้านน้ําตาเหือดแห้งนวลแป้งขึ้นมาแทนก็เริ่มมองหาแฟนเอาไวบ้ยยบําเรยังหมดแกเข้าแต่งงานใหม่จ้อยเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะอย่างไรก็ตามพระนางวัททีนี้มีเหตุมีผลเพียงพอนางเพราว่าเป็นหญิงไม้เนี่ยเมื่อกับมีชีวิตอยู่ตายทั้งเป็น ฟังสะพายแล้วก็ส่งอับจนจึงหันไปขอพระนัฎ ด, ดาขอหลานฉันกันหาชาลีมาทีเอ้ยถ้าหากเธอไม่ฟังปู่แล้วก็ขอให้นางเนี่ยได้ปล่อยวางกันหาและชาลีไว้กับปูเ่เถิดส่วนพรานางนั้นก็ประชดประชันขอให้เสด็จปู่นี่ได้คิดดูให้ดีเถิดฉันจะไปสู้กรรมสู้เวรกับเสด็จผัวและก็ลูกพระเจ้าสนใจดีก็ถทำว่า เด็กทั้งสองคนนี้ยังอ่อนนักยังเล็กนักยังไม่สามารถจะรับรู้อะไรจะไปอยู่กินทุกกินยากในปา่าในเขากินเปลือกกินมันทอนมันหัวไม้ที่มันยากลําบากมาเฉยให้อยู่กับปู่เธอเด็กสองคนนี้จะกินอะไรพระนางบอกว่าเสด็จปู่ไม่ต้องเป็นห่วงหม่อมฉันทั้งสองคนได้กินอะไรเด็กสองคนนี้ก็จะกินอันนั้นไม่ต้องเป็นห่วง จงตัดต้นแล้วโค่ น, น้าของเชิญทิ้งถอนอย่าได้อาไลอาวรลไปใหญ่มีพระเจ้าร้านรือจะดีกว่าโอรสลูกในไส้ยังคิดคดหน้าเวทนาประชดประชันเหลือเกินละนางเอ๋ยหมายความว่าพูดตีกับกับปู่ว่างนันแด็นนะพูดประชดประชันถ้าจะตัดต้นแล้วก็โค่นราก พ่อแม่นั้นเหมือนต้นรากนั้นคือลูกคือหลานเมื่อจะตัดต้นแล้วจงโค่นรากแล้วถึงถอนอย่าอารอนอาวออรอาไล่ไปใหญ่มีพระเจ้าหลานหรือจะดีกว่าโอรสแม้แต่ลูกในอกยังคิดคดหน้าเวทนาพูดง่ายว่าหลานหรือจะดีกว่าลูก ตั้งแต่ลูกของเสด็จปู่พระเวทสันดร น, นี่เป็นลูกแท้แทยังคิดคดต่อพ่อยังให้ช่างเป็นทานยังให้อะไรตัวอะไรจนไว้ใจไม่ได้จนไล่นิออกจากเมืองประสาอะไรกับล้านมันจะดีกว่าลูกแท้แท้มันยังไม่ดีล้านมันก็เหมือนกันจะได้เป็นห่วงจะได้อะไรเลยพระเจ้าสนใจสดที่จะระงับความรู้สึกน้ำตาไหลาอาบหน้าผู้ประสาราชาตวันน้ำพระเนตรซึมอาบพักหวานกันแท่นะหันไปอุ้มหลานรักทั้งชายหญิงก่อนแล้ว็จุมพิษด้วยเวทนาและอาไร่ส ปัญหาปู่แล้วหลานเอ๋ยที่จะบีทักเจ้าไว้หม่อมแม่ของเจ้าก็เอาแต่คารมไปเถิดหลานลักสี่กษัตริย์ทรงประทับรถเทียมมาผ่านไปทำกลางฝูงคนยาโจันิพกคนยากจนตางก็พาการรำ่ำไห้แสดงน้ำใจบัางก็ล้มกลิ้งอยู่กลางทางบ่างก็กอดเข่าลำพันบัางก็ตีอกชกหัวร่ำไห้แล้วมีคนหนึ่งร้องว่าดวงเดือนประจําชีพของคนยากได้ดับเสียแล้ว พระเวสสันดรโบกมืออำลาคนยากคนจนขอบคุณยาจกที่คอยเป็นห่วงพลางว่าชักม้าวิ่งผ่านไปจนกระทั่งออกนู่กำแพงพนครคนยากร้าย ร, ร้องให้อะไรอาวรนอนกิ้งเปลือกกลางขงทางคิดถึงคิดถึงพระเวสสันดรมากในช่วงนี้เพราะว่าเมื่อพระองค์ยังมีอยู่ในพระนครนี้คนทุกคนยากได้อาศัยลงทานบัตรนีดวงเดือนประจาชีพที่ ส่งแสงประกายวาววับเจิดจ้าได้ดับวูบลงไปแล้วคนยากคนจนจะให้อาศัยใครเนาเขาก็ร้องให้เกลื่ินงบริเทวนาการว่างนั้นเถอะนะฮเวสันดอนก็ตั้งใจหักอารมณ์ขมอะไรตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยจากเลยเฮ้ยกรุงสีพีเชตุดอนของข้าเอ๋ยว่าแล้วพอคิดถึงอย่างนั้น ทางกอชักม้าวิ่งผ่านไปออกนอกกำแพงเบืองความอะไรอาวรหวนเข้ามาจับอกโอ้กุงสีผีเชิดุดรของข้าเอย๋ยนับแต่เกิดมาข้าไม่เคยจากเลยแม้แต่น้อยม้าเหมือนจะรู้พระไถยหันหน้าลดกลับคืนสูบุรีแล้วก็จุดนิ่งเหมือนมันรู้ใจของพระเวสสันดรมันหันหน้ากลับคืนแล้วมันก็หยุดหยุดนิ่งเหมือนม้าตายที่ยืนตกงอกเลให้โอกาสแกสีกษัตริย์มองลาพระนะครให้อิ่มเนตรแล้วก็หักอารมณ์ คมอะไรชักม้าขับรถบ่ายหนะ้าเข้าสูนแน่แนวแนวภัยนู่นเขาวงกดนู่นแหละเป็นที่หมายสูงตระหนักเสียด ฟ, ฟ้าพูดถึงตรงนี้คิดถึงประเทศอินเดียที่เคยไปมองกันไปทางทิศเหนือนี่หิมะปกคลุมเขาวโพนไปแทบแเมืองซิมลาก็เป็นโนูน่นแล้วมองไปเห็นเขาวงกดก็คือเขาหิมาวันตะบันพจนนี่แหละสูงตระหนักเพราะแม่ตนดองก็คงจะมองเห็นอย่างนี้แหละก็เลยหักอารมณ์ขมอะไร ขับรถบ่ายหน้าสู่แนวภัยนู้ในเขาวงกดเป็นที่หม่แต่รถและหมาก็สิ้นโอกาสที่จะรับใช้สี่กษัตริย์ต่อไปได้มีาพามตามมาขอเอาไปจ้นได้ขอจนหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่เกิด บ, บัญพาซาาชาตาวะวเหลือแต่ฉล้อนพระบาทและพระขนทรงอุ้มชาลีและโอรถ กำนองให้ปนางมัตทีดิอุ้มแก้วกันหาที่ดาดตัวเล็กส่วนพี่จะอุ้มชาลีลงจากรถม า, าพามสี่คนมาขอก็เลยพเวศสนดอนมือขวาจับงอนแห่งรถมือซ้ายจับน้ำเต้าล่างลงในมือาพามด้วยเดชแห่งการให้รัฐาเป็นทานให้รถเป็นทานครั้งนี้ขอจงเป็นปัจจัย แกนุตรัสสัมมาสัมโพธิญาณแก่เราในนาค ต, ตการเบิกหน้านุนเถิดมหาปัตพีอันไม่มีใจิตใจไม่มีวิญญาณก็วาดวันไหวเขาสเสนุราชสั่นสะเทือนเพราะแรงแห่งป่าธนาและการให้ทางครั้งนั้นเหลือแต่ตัวเปล่าเปล่าอุ้มลูกคนละคนนั่นก็เดินด้วยเท้าไปสู่ป่าเขาลำเนาไผ่ด้วยพระบาทด้วยและดวงพระไัยเบิกบานทราบซึ่งในรสชาติของชีวิตยิ่นนะัก ชีวิตเอ๋ยเคยหวานมาแล้วก็ขมซสีบ้างสิชีวิตเอ๋ยทรงแววเสียงนกร้องอยู่ในแนวป่ามาแต่ไกลทำกลางเสียงลมพัดผ่านยอดพฤกฟังไพเราะและมีความหมายคล้ายกับว่าโลกนี้เหมือนโงรงละครผูงนิกรที่เกิดมาต่างไร่ลำทําทีท่าตตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุข บางทีก็ทุกข์วอกสะทอนมีร้างมีรักมีจากมีจอพอจบละครชีวิตกาลาอันวัดตอนละครชีวิตเป็นสิ่งน่าคิดนะท่านเจ้าขากว่าฉากจะปิดชีวิตจะลาก็ต้องทรมานนี้สุดประมาณเมื่อชีวิตยังไม่ปิดฉากยังปิดฉากไม่ลงก็ต้องสู้กันต่อไปชีวิตคือการต่อสู้ สตูคือการเดินทางทานตกันปะได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้จากนี้เราจะเข้าสู่วนนณประเวทขอเวลานอกยุติ ด, ดื่มน้ำสักหน่อยวันนประเว 5, 7, ทห้าสิบเจ็ดคาถาเตรียมเทียงคาถาไว้ได้เลย